สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่แปดสิบเจ็ดพระธรรมสุภาษิตในวันนี้อยู่ในบทที่สิบห้าข้อยี่สิบถึงยี่สิบสองสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อยี่สิบถึงข้อยี่สิบสองโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าบุตรชายที่ฉลาดกระทำให้บิดายินดี แต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตนความโง่เป็นความชื่นบานแก่บุคคลผู้ไม่มีสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะเดินตรงไปปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่มีผู้แนะนำมากๆแผนงานนั้นก็สำเร็จ พี่นครับวันนี้สุภาษิตสามข้อสั้นๆแต่กินใจความและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างลึกซึ้งครับลูกที่ฉลาดจะทำให้พ่อแม่มีความชื่นชมยินดีแต่ลูกที่เป็นคนโง่ก็จะทำให้พ่อแม่เสียใจคนโง่นั้นมักจะแสดงกิริยาแข็งกระด้างต่อพ่อแม่ของเขา ในขณะที่คนเฉลียวฉลาดเขาจะรู้จักให้เกียรติและทำให้พ่อแม่ของเขานั้นชื่นชมยินดีอิทธิพลของปัญญาก็จะมีต่อชีวิตของเราอย่างสูงในขณะที่อิทธิพลของความโง่ก็จะมีต่อชีวิตของคนโง่อย่างสูงเช่นเดียวกันและอิทธิพลนี้มันจะส่งผลไปถึง ผู้คนที่อยู่รอบข้างของเขารวมถึงครอบครัวของเขาคนใกล้ชิดของเขาคนที่เขารักเช่นเดียวกันพี่น้องครับความรักในครอบครัวของเราความรักในบ้านของเรานั้นก็จะนำมาซึ่งความสุขความชื่นชมยินดีสันติสุขครับและการกระทาที่เชื่อฟังและฉลาดของลูกๆ ก, ก็จะนำมาซึ่งความพอใจความยินดีและความชื่นชม ฉันติสุขกับบิดาบารดาของตนเช่นเดียวกันความโง่ที่มีตัวลูกนั้นทําให้พ่อแม่เสียใจพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนก็เช่นเดียวกันครับเรามีพระบิดาของเราบนสวรรค์าหากว่าเราดําเนินชีวิตอยู่อย่างคนเฉลียวฉลาดคุณพ่อของเราบนสวรรค์นั้นก็จะยิ้มครับาหากว่าเราดําเนินชีวิตอยู่ในความโง่เขลาเบาปัญญา เราไม่ได้มีพระคําของพระเจ้าอยู่ในใจของเราเราไม่ได้มีคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่อยู่ในใจของเราเราก็จะนํามาซึ่งความเสียใจที่มีต่อพระเจ้าพระบิดาของเราบนสวรรค์ข้อที่ยี่สิบเอ็ดครับทำให้เรารู้ว่าความโง่เขาคนโง่เขามโนและเขามีความสุข เวลาเขาเดินอยู่ในความโง่เขลาของตัวเองความโง่เป็นความชื่นบานแก่บุคคลที่ไม่มีสามัญสำนึกคนโง่ยังขาดสามัญสำนึกคําว่าขาดสามัญสำนึกนั้นมีความหมายตามภาษาเดิมว่าเขายังมีใจที่ยังเติมไม่เต็มยังมีช่องว่างเหลืออยู่มากใจที่ยังเติมไม่เต็มนั้นก็ทําให้เรารู้ว่าภาพของการที่ว่าขาดครับขาดอะไร ขาดสามัญสำนึกพี่น้องครับผมพูดเสมอครับ Common sense is not common for the foolCommon sense is not common for the fool, for the fool หมายความว่าคนโง่นะครับอย่าไปหวังสามัญสำนึกในตัวเขาครับเพราะว่าสามัญสำนึกในตัวคนโง่นั้นไม่ใช่เป็นของสามัญ ไม่ใช่เป็นของสามัญหมายความว่า i s not common ครับคือคนธรรมดาทั่วไปนะครับคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าสิ่งเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญแต่คนโง่เขาขาดครับเขาไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นคนโง่เขายังมีชีวิตอยู่ในความโง่ในอย่างมีความสุขครับอันนี้เขาเรียกว่ามโนเองนะครับคนโง่มีชีวิตอยู่ในความโง่ของเขาอย่างมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจ เป็นเรื่องที่ว่าช่วยยากครับทางของคนโง่นั้นก็คดเคี้ยวเดียวรถคนโง่นั้นพบความยินดีอันยิ่งใหญ่ในกิจกรรมต่างๆที่เขาทําและกิจกรรมต่างๆนั้นมักจะไร้ค่าและเกี่ยวข้องกับความบาปด้วยท่านพีบอกว่าแต่บุคคลที่ฉลาดนั้นจะเข้าใจสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายในชีวิตของเขา และเขายังจะนําชีวิตของเขาสู่ทางแห่งความเที่ยงธรรมทางแห่งความมีศีลธรรมทางแห่งจริยธรรมที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาตัวของเราเองว่ากิจกรรมที่เราทําอยู่นั้นเป็นกิจกรรมแห่งความโง่เขาหรือเปล่าและเราก็มโนไปครับว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีถามว่าอะไรจะเป็นบรรทัดฐานอะไรจะเป็นตัวชี้ครับ ว่าวกิจกรรมที่เราทำนั้นเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือเปล่าคาตอบก็คือพราะวาจนะของพระเจ้าแต่การทรงนำของพ้อมีญาโรยสุดในใจของเราแต่ละคนจะเป็นตัวบ่งบอกหรือตัวชี้ครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นเรื่องที่โง่เขาหรือเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือเป็นเรื่องที่ไม่มีคุณค่าใดๆเลยในสายพระเนตรของพระเจ้า เราก็ต้องเสียเวลานะครับเสียเงินเสียทองเสียของของเราและเวลาชีวิตของเราแต่ละคนมีค่านะครับอย่าไปสูญเสียกับสิ่งที่ไร้ค่าพี่น้องครับหลายๆลายขืดจากหลายๆคนนะครับสูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้ค่าจัดกิจกรรมนะครับที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อเรื่องของการสร้างสาวกไม่เกิดประโยชน์ต่อเรื่องของการประกาศ นำวิญญาณนะครับประกาศเลี้ยงดูสร้างสาวกพี่น้องครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเราจะดูในข้อสุดท้ายของวันนี้คือข้อ22ปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่มีผู้แนะนำมากๆแผนงานนั้นก็จะสำเร็จพี่น้องครับในพสต์นักของพระเจ้านั้นมีอย่างน้อยสี่ครั้งด้วยกัน ในพระธรรมสุภาษิตนี้ที่เน้นให้เห็นถึงความสําคัญของการรับคําปรึกษาแนะนําจากผู้อื่นที่เกี่ยวข้องรับคําปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆของการวางแผนวิธีการต่างๆที่จะนําไปถึงความสําเร็จพี่น้องครับสี่ครั้งในที่นี้นะครับก็ปรากฏอยู่ชัดเจนในพระคัมภีร์สุภาษิตนะครับ ยกตัวอย่างเช่นชุพาสิทธ์บทที่สามข้อที่สองและข้อที่สิบหกชุพาสิทธ์บทที่สี่ข้อที่สิบชุพาสิทธ์บทที่เก้าข้อที่สิบเอ็ดพี่นะครับสิ่งต่างต่างเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าความตายจะมาถึงคนที่ไม่ยอมปรึกษาหารือ ในขณะที่พระธรรมสุภาษิตสี่ครั้งสี่ข้อเน้นเรื่องความสำคัญผมจะบอกกับพี่น้องครับในคำปรึกษาต่างๆหารือต่างๆมีความสำคัญสี่ครั้งที่พระธรรมสุภาษิตมุ่งเน้นเรื่องความสำคัญของการรับคำปรึกษาบทที่สิบเอ็ดข้อที่สิบสี่บทที่สิบห้าข้อที่ยี่สิบบทที่ยี่สิบข้อที่สิบแปด บทที่24ข้อที่6เป็นคงคาพรอวจนะของพระเจ้าที่ถูกหยิบยกมาตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าการปรึกษาหารือนั้นสำคัญผมอยากจะบอกกับทุกท่านครับว่าใครก็ตามที่วางแผนการต่างๆของชีวิตโดยปราศจากการขอคาขอรับคำแนะนำเขาหยิ่งเกินไปหรือมั่นใจเกินไป แต่ใครก็ตามที่ขอคำปรึกษาแสดงว่าเขามีความถ่อมใจครับและรู้ว่าตัวเองอาจจะมองข้ามองค์ประกอบบางอย่างหรือไม่อรอบคอบเขาไม่มั่นใจตัวเองมากจนเกินไปเขาไม่วางใจตัวเองมากจนเกินไปครับแต่ด้วยตรงนี้ทำให้ชีวิตของเขานั้นจะไปสู่ความสำเร็จมากกว่าคนที่ปราศจากการปรึกษาหารือ พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปนะครับว่าเจ้านายที่ไม่ฟังลูกน้องก็โง่เขาผู้รับใช้ที่ไม่ฟังผู้ช่วยของเขาก็ขาดสติปัญญาสิทธยาพิบาลที่ไม่สแสวงหาคำปรึกษาจากคนรอบข้างจากสมาชิกจากผู้หลักผู้ใหญ่ในโบสถ์ก็อยู่ในอันตรายอาเมน